ไม่มีตะโกนเอาตะโกนเอามันก็ไม่ไหวไม่มีเครื่องไม่มีเสียงช่วยก็ตะโกนเอาตะโกนเอามันก็ไม่ไหวพ <c oughs> อละ้ะพอละวันนี้อากาศก็ดีอากาศเย็นดีวันนี้อากาศเย็นดีฝนตกพอดีก็มาพักมาค้างหลายคนแล้วเราก็ไม่ได้ไปชมมารวมกันหลายวันแล้ว วันนี้เห็นว่าเป็นอากาศเย็ยนดีมารวมกันประกอบกับทางวิรัมกพาลูกชายมาอยู่ปฏิบัติธรรมเป็นการเป็นคราว <c oughs> ก็ดีอยู่อนันโมทนาแหละมีลูกชายได้บวชเป็นพระลูกชายงานชั้นเยี่ยมของลูกชาย ก็คือได้บวชพระให้กับพ่อกับแม่ลูกทุกคนไม่ว่าลูกผู้ชายลูกผู้หญิงนั่นแหละเป็นแก้วตาเป็นดวงใจของพ่อของแม่ได้บวชให้กับพ่อกับแม่โดยแล้วก็ยิ่งเยี่ยมนะในระหว่างที่เราบวชจิตใจของพ่อแม่ก็อยู่ที่วัดนั่นแหละไม่เชื่อลองถามดูดะ บวชแล้วเนี่ยจิตใจของพ่อแม่เนี่ยอยู่ที่วัดอยู่กับลูกนี่แหละต้องให้จิตใจของพ่อแม่เข้าวัดแบบนี้ท่านเรียกว่าบวชจูงจูงพ่อจูงแม่ไม่ใช่ไปจูงตอนที่ท่านไม่หายใจแล้วอันนั้นจูงหรือไม่จูงเขาก็เอาออกไปอยู่แล้วแหละแบบนี้เขาเรียกบวชจูงพ่อจูงแม่พ่อแม่ ไม่เคยให้ทานหรือให้ทานยังไม่เต็มที่เราบวชมาก็ให้พ่อแม่มีโอกาสให้ทานเต็ม ท, ที่พ่อแม่ไม่เคยให้ทานก็มีโอกาสให้ทานพ่อแม่ไม่เคยตั้งใจรักษาศีลหรือตั้งใจไม่เต็มที่ด้วยเหตุที่บวชลูกบวชเข้ามาอยู่ในศีลในธรรมเออกลัวเสียเปรียบลกูกเราก็ต้องตั้งใจระมัดระวังรักษาศีลบงังน่ก็เป็นโอกาสจูงจูงพ่อจูงไม่ให้มีทานให้มีศีล พ่อแม่มีโอกาสเข้าวัดในระหว่างที่เราอยู่พ่อแม่ก็ได้มีโอกาสภาวนาทำจิตให้ได้รับความสงบไม่เคยอยากภาวนาก็มีโอกาสได้ภาวนาเมื่อภาวนาไปแล้วก็มีผลมีอนิสงส์จิตไม่เคยสงบกับบทธรรมที่เราเอามาบริกรรมเราก็ได้รับมาฝึกมาฝน ม, มาอบรมจิตให้จิตได้รับความสงบ ความสงบของจิตที่สงบจากกิเลสเป็นการเป็นคราวนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่เยี่ยมที่สุดในชีวิตจิตใจของเราของท่านโดยปกติแล้วมันไม่สงบมันไม่สงบมันวิ่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสข้างนอกวิ่งไปตามธุระปะปังหน้าที่การงานสารพัด ห, หน้าที่การงานเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสเพื่อสัมผัสนั่นแหละเพื่อความเป็นอยู่นั่นแหละ จิตเลยไม่สงบวิ่งตามกิเลสทั้งวันวิ่งไปกับอาชีพวิ่งไปกับการกับงานกับโมกับเพื่อนกับพวกกับพร้อมกับปัญหาสารพัดที่มันมาพันหัวใจของเราพอเรามีโอกาสมาสงบระงับให้เขาได้สงบระงับอยู่กับบทธรรมจิตเริ่มได้รับความสงบแน่เป็นโอกาสให้พ่อแม่ได้ภาวนาให้จิตได้รับความสงบ จากนั้นเราก็พิจารณาในแง่ของปัญญาเพื่อทำลายความหลงในสังขารพวกเราทุกคนหลงสังขารหลงสังขารรูปของตัวเองหลงสังขารนามของตัวเองเนี่ยยิ่งเราไม่เคยย้อนจิตมาพิจารณากายของตัวเองย้อนจิตมาพิจารณาจิตของตัวเองเนี่ยเราก็ยิ่งหลงหลงกับหลงหลงกับหลงหลงสังขารรูปหลงสังขารนามของเราเอง อวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารความหลงตัวนั้นแหละเป็นอวิชชาอาวิชชาแปลว่าความไม่รู้เพราะความไม่รู้แหละจึงหลงเพราะหลงแหละจึงไม่รู้คือไม่รู้หลักสัจธรรมไม่รู้ข้อถักข้ออัดข้อธรรมตามหลักความเป็นจริงถ้ า, าเราพิจารณาให้จิตมาเภาวนาให้จิตได้าารับความสงบเอาความสงบของจิตที่สงบมาพิจารณาธาตุขันธ์ของตัวเราเอง พิจารณาจิตใจของตัวเราเองเราก็จะเริ่มตื่นเนื้อตื่นตัวรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นคนเข้ามาใกล้ชิดแนบสนิทกับอัดกับทร ม, มากเข้ามากเข้ามากเข้าเป็นพื้นเป็นเพเป็นจริตเป็นนิสัยเป็นอุ ป, ปนิสัยเป็นบุญญาบารมีที่เพิ่มบารมีของเราขึ้นได้อย่างเร็วทานเราก็ได้ให้ศีลเราก็ได้รักษาภาวนาเราก็ได้ภาวนาฉลาด ฉลาดแบบนี้ท่าเรียกว่าฉลาดโดยธรรมสามารถรับประกันตัวเราได้ว่าเราจะไม่ไปสัวบายอย่างแน่นอนไม่ไปสัวบายทุกติวินิบาตอย่างแน่นอนถ้าหากเราจับหลักนี้ไปตลอดปฏิบัติธรรมจนได้อริยธรรมด้วยแล้วยิ่งเยี่ยมล่ะมีโอกาสเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอนุสอนเป็นอนุสอนของชีวิต ได้อย่างเยี่ยมยอดที่เดียวแหละการบวชการการหนึ่งคราวหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ผู้บวชนั้นน่ะเวลาบวชกับพระอุปัชฌายะพอบวชมาแล้วพอแม่ที่ตั้งใจบวชมาพอแม่ก็ได้บุญลูกบวชเสร็จมาแล้วพอแม่ก็ยินดีพอใจก็ได้บุญทำบุญมากน้อยเท่าไหร่พอแม่ก็ยิ่งได้บุญจากอานิสงส์ของการให้ทานจากการเสียสละให้ลูก ออกบวชโดยแล้วก็ยิ่งได้บุญเพิ่มขึ้นเสียสละเรี่ยวแรงเสียสละกำลังเสียสละความรู้ที่เราเคยได้รับจากลกูกลูกเคยช่วยเหลือเราก็เสียสละให้เขาบวชให้เขาได้รู้จักวิธีการที่จะมาพึ่งพาอาศัยรับผิดชอบตัวเองการบวชเข้ามารักษาศีลปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นการรับผิดชอบตัวเองเต็มร้อยเลย เป็นการรู้จักพึ่งพาใส่ตัวเองเต็มร้อยพระเนียนทุกคนที่บวชมานี่วังพึ่งตัวเองเต็มร้อยรับผิดชอบตัวเองเต็มร้อยแต่ถ้าเราอยู่บ้านราจะรับผิดชอบอย่างไดอย่างหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นเองการคล้อยที่จะเอาใจที่จะตามใจจะมีอยู่มากยิ่งพอแม่ติดตามใจลูกด้วยแล้วเนี่ยยังไงลูกเขาจะใจดีเขาจะอยู่ ดีมีความสุขพ่อแม่บางทีบางคนถึงกับต้องทุกข์ต้องยากต้องลต้องต้องลำบากเพราะลูกแต่พอเวลาข้บบวชมาแล้วเขาได้โอกาสฝึกฝนอบรมตนเป็นอัตตาอั ต, ตโนมโถอย่างแท้จริงนะพ่อแม่ก็ได้บุญส่วนนี้จากนั้นแล้วก็บุญที่จะสืบช่วงไปข้างหน้าในระหว่างที่เราอยู่ก็ไม่ถอดไม่ทิ้งคิดถึงอย่างที่วานั่นแหละ จิตใจของพ่อแม่อยู่ที่วัดจิตใจของพ่อแม่มองเห็นผ้าเหลืองของลูกนั้นคิดทีไรจิตใจก็เพลื่มปีติยินดีแต่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของลูกที่บวชมาแล้วบวชมาแล้วเราได้เพศคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเพิ่งเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้สองรอยสิบเจข้อสีขาบทเนี่ย เราก็มาอ่านมาศึกษามาวินิจฉัยไข้ครวนสีขาบทสองสยี่เจ็ดสขาบทนี่เป็นศีลนะอันนี้เราพูดถึงผู้บวชบวชมาแล้วเราได้เพศเพศผ้าเหลืองเนี่ยไม่ใช่เป็นได้เพศมาง่ายๆต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะสงฆ์ผ่านพระอุปัชฌาย์ผ่านคู่สวดผ่านคณะสงฆ์ อย่างน้อยๆ้ตั้งแต่5รูปหรือ10บรูปขึ้นไปที่จะมโนงารตบบาทเพื่อให้สําเร็จรูปเป็ น, ป น, ปนบวชเป็นพระขึ้นมาได้มีเราได้เพศเราได้เพศการได้เพศแบบนี้เป็นการได้เพศจากอํานาจของสงฆ์ไม่เหมือนสมัยพุทธกาลพุทธกาลใครอยากบวชขอบวชต่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็พูดสองสามคำก็สําเร็จเป็นเพศบวช เป็นเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำมันเรากล่าวดีแล้วผู้ที่เป็นพระอรหันน์ถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหรันตกล่าวต่อไปอีกแบบเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกขโดยชอบเธิดอนะย่างบวชให้กับยศกุลบุตรพระองค์ทรงตรัสแค่ว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำมอันเรากล่าวดีแล้วนะไม่ต้องกล่าวว่าจงประพฤติพรหมจรรย์เพราะยะกุลบุตรเนี่ย ได้ประพฤติพรหมจรรย์จบพรหมจรรย์แล้วจบพรหมจรรย์แล้วเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเป็นพระอรหันต์ก่อนบวชการบวชแบบนี้ท้าเรียกว่าเอหิพิกุเอหิพิกุแปล ว, ว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดด้วยพระดํารัสของพระาศาสดาต่อมาพระสงฆ์ประสงค์ไปประก า, ะาศศาสนามีคนเริ่มใสศรัทธาพระองค์ก็ให้บวช ด, ด้วยถึงไตรสรณคม บวชพระนะบวชพระด้วยวิธีเข้าถึงไตรส ร, รณคมให้พระสงค์บวชบวชให้กับสาวกให้ประสงค์ให้สาวกบวชให้กับสาวกไม่ใช่พระองค์บวชเองอันนี้เป็นวิธีติส ร, รณะคำนูประสัมพันบวช ด, ด้วยการให้ถึงสรณคมส ร, รณคมก็คื อ, อ means, พุทธังส ร, ร้างกัจจามิขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสร้างกัจจามิขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระ ล, ลึก สังขังส น, นังกชามิขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนี้จะเรียกว่าไตรสรณคมอันนี้พระสาวกในสมัยพุทธกาลนะพุทธเจ้าท่านให้บวชให้กับสาวกด้วยกันบวชให้กับสาวกด้วยกันเป็นวิธีที่สองวิธีที่สก็เป็นวิธีเนี่ยที่พุท ด, ด้วยสําเร็จด้วยได้ด้วยอํานาจของสงฆ์ตั้งแต่ห้าโลกในบ้านนอกในห้าโลกนั่งอัตตบาต ทั้งหมดเนี่ยเป็นห้ารูปเป็นต้นไปในมัชชิมประเทศเช่นอย่างในเมืองเนี่ยในเมืองเช่นอย่างวัดกร ะ, กระดึงทองของเราก็ถือว่าในเมืองแล้วเดี๋ยวนี้นตั้งแต่สิบรูปเป็นต้นไปถึงสําเร็จกิจได้แบบนี้ต้อเรียกว่ายติจะตุตถกรรมะอุปสัมป达อุปสัมปทายติจะตุตถกรรมะอุปสัมปทา การสําเร็จการบวช ด, ด้วยอํานาจของสงฆ์ตั้งแต่ห้ารูปหรือสิบรูปเป็นต้นไปด้วยการสวดอนุสาวรนาสามรอบกับตั้งยัติอีกหนึ่งรอบเป็นสี่รอบสําเร็จได้เพศได้เพศนุ่องเหลืองห่มเหลืองเนี่ยไม่ใช่ไปได้มาง่ายๆ่าได้มาไม่ง่ายเพราะฉะนั้นได้ได้มาแล้วเนี่ยเราไปทํำยังไงถ้าเราไม่กล่าวคาําราสิกขาเราจะ ไม่หมดจากความเป็นพระเช่นอย่างไปถอดทิ้งไว้ตามต้นไม้ตามจอมปลวกตามอะไรที่เขาเข า, เขานีศึกเนี่ยก็ไม่เป็นการศึกนะยังเป็นพระอยู่ยังเป็นพระอยู่เพราะว่าตอนบวชยากตอนศึกก็ต้องถูกขั้นถูกตอนเหมือนกันตอนบวชจะต้องแปลงวาจาต่อภิกษุหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปเป็นต้นไปเป็นพยานถึงอยา เป็นการศึกไปไปเอาผ้าออกเฉยๆไปทิ้งไว้ห้อยไว้ตามต้นไม้แล้วก็ไปใส่กางเกงจ้อยนี่ไม่เป็นไม่เป็นครหอัดนะยังเป็นสงอยู่ยังเป็นพระอยู่ยังเป็นพระอยู่ทีนี้ในเมื่อเราไม่ขาดจากความเป็นพระเราไปทำอะไรเหมือนคราวาสตายแล้วต้องอาบัติแล้วทนเีเป็นบาปเป็นกรรมหนักหนาะสาหัสแหละไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิง ไปอะไรต่ออะไรไปเกี่ยวข้องกับเงินกับทองกับอะไรที่ผิดวินัยของสองฆ์ผิดหมดผิดหมดเพราะเราไม่ได้ขาดจากความเป็นพระนี่คือการศึกเพราะฉะนั้นการศึกจะต้องถูกระบบระเบียบจะต้องเป็่งวาจาต่อพระต้องแต่หนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปเป็นต้นไปถึงจะเป็นการศึกเราบทมาแล้วเราต้องพึ่งตัวเองเต็ม เต็มร้ออัตตาอิอั ต, อตโนโนะโทโดยแท้สิกขาบท2 2งสิเจ็สิกขาบทเราก็เอามาซื้อมาดูวินัยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสเราก็เอามาดูเอามาอ่านดูสิกขาบทก็คือศิลของเรา227ข้อนั่นแหละข้อ1ข้อ2ข้อสก็4ทั้งพูดยังไงบ้างปาราชิกสท่านว่าอะไรบ้างสังขารที่เสียส13ข้อเนี่ยท่านพูดถึงอะไรบ้าง อันนี้ยศสองเนี่ยท่านพูดถึงอะไรบ้างนิสกียปยิตีสเนี่ยท่านพูดถึงอะไรบ้างปายจิตีเก้าสิบขาบทเนี่ยท่านพูดถึงอะไรบ้างรวมเป็น220นับทั้งอธิกรณะสมัถักเครื่องออกจากอธิกรณ์อีกเจ็ดข้อเป็น227สิบขาบทอันนี้มีอยู่ในพระปาทิโมกทุกเกึ่งเดือนพระสงฆ์จะต้องมาทําังการลงโอโบสด อาสินทั้งหมดนี้มาสวดประกาศท่ามกลางสงทุกเกินเดือนทุกเกินเดือนเ น, นี่ยสิน227สิบเขาบทนี่เป็นข้อใหญ่ใจความมันยังมีข้อเล็กข้อปลีกย่อยอีกที่มานอกพระปาทิโมกคือไม่มีอยู่ในพระปาทิโมกมานอกพระปาทิโมกอันนี้500กว่าสิขาบทแต่มันก็เป็นโทษเบาปรับอาบัติทุกกดบ้างปรับอาบัติทุกภาสีบ้างนี่ห้าร้อยกว่าสิขาบทเราไปอ่านดูในบุปผสิขา ไปอ่านดูในมหาขันเนี่ยโดยเฉพาะเราไปอ่านดูในวินัยณมุกเล่มสองวินัยณมุกเล่มสองท่านจะพูดถึงสีขาบทนอกปาฏิโมกทั้งหมดไม่ได้พูดถึงสีขาบทในปาฏิโมกวินัยณมุกเล่มหนึ่งท่านพูดถึงสีขาบทในพระปาฏิโมกวินัยณมุกเล่มสองท่านพูดถึงสีขาบทนอกพระปาฏิโมกทั้งหมด พูดถึงขนบพูดถึงธรำรเนียมพูดถึงประเพณีของสงฆ์ของพระศาสดาที่ท่านปกครองสงมาโดยตลอดข <c oughs> นบรรมรำเนียมเป็นยังไงระบบระเบียบเป็นยังไงนี่ระบวทมาแล้วนะ <c oughs> เช่นอย่างห้ามส่องเงาหน้าในกระจกนีห้ามตัดผมห้ามใส่ชดุดครหัดเนี่ยห้ามใส่ชดุดครืดหัด อย่าท่านห้ามนะท่านห้ามอันนี้เป็นสิขาบทนอกพระปาฏิโ ม, ม, มกข์ห้ามไว้ผมยาวเกินสองนิ้วห้ามไว้ผมยาวเกินสองนิ้วห้ามเล่นตลกขนองอะไรหลายหลายอย่างที่ท่านพูดเอาไว้สิขาบทนอกพระปาฏิโมกข์ ขนรรมเนียมที่เราถือปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาโดยเฉพาะสายป่าเราเนี่ยพระสงฆ์สายป่าเราเนี่ยท่านก็ส่งไว้ด้วยด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติส่งทรงไว้ด้วยการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างขนรรมเนียมหลวงปู่มั่นเอ่ยมาหลวงตาเอ่ยครูบาอาจารย์รุ่นนั่นแต่และองค์ไปได้ยินได้ฟังแล้วเอาสืบทอดต่อๆมานี่เป็นธรรมเนียมบางทีไม่มีหนังสือดูหอก เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติพวกเราก็ดูกันน่ยอยู่แล้วก็ฝึกฝนอบรมไปดูไปสอบถามไปฟังไปฟังจากอบรมบ้างอะไรบ้างแล้วก็ถือเป็นข้อปฏิบัติไปเรารู้สิขาบทข้อหนึ่งเราตั้งใจจะมาปฏิบัติให้เต็มที่รู้กี่สิขาบทเราก็ตั้งใจจะมาปฏิบัติทั้งหมด เพราะเราไม่ได้เป็นฝ่ายปริยัติถ้าเป็นฝ่ายปริยัติเขาท่องจบทั้งหมดเล่มแต่เขาเอาแค่ไปสอบได้เท่านั้นแหละหลังจากสอบหลังจากสอบได้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงเขาไม่ค่อยสนใจสีขาบทนั้นไ่วงั้นสิขาบทนั้นไหวงั้นบางทีสิขาบทก็ว่าไปแต่เขาก็ทําตัวไปอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามอันนี้คือทั้งฝ่ายปริยัติแต่ทั้งฝ่ายปฏิบัติเรานี่เราไปดูสีขาบทวินในต่างๆเราดูได้กี่ข้อเราก็เอามา เป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดเข้าใจเรื่องสิขาบทไหนแล้วก็เอามาเป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดอ<ม>อย่างปา ร, ราชิกสี่ท่านพูดถึงอะไรบ้างาห้ามเสีเมถุนห้ามลักของขาวได้ราคาห้ามมาศห้ามฆ่ามนุษย์ให้ตายห้ามอวดอุตริมนุสธรรมนี่ยสี่สิขาบทเนี่ถ้าเราไปต้องสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งเราก็ขาดจากความเป็นพระนี่อันนี้ไม่ต้องมีใครศึกแล้ว น, นี่ขาดเลยขาดจากความเป็นพระ ถาครไปต้องศึกาบททั้งสี่ข้อข้อใดข้อหนึ่งนะไม่ไม่จําเป็นจะต้องทั้งหมดเสีเมตุนิพวกเราก็รู้ฟังกันออกเข้าใจกันดีลักของเขาได้ราคาห้ามาศพระเรามีราคาไม่เกินไม่เกินหนึ่งมาศเราเข้าใจกันง่ายๆคือหนึ่งบาทหนึ่งบาทเห็นนาฬิกาเขาไปหยิบไปขโมยเอาเห็นไฟฉายรับไปขโมยเอาเห็นมีดตัดเล็บของเขาไปขโมยเอา โดยไม่บอกเจ้าของความรู้นี่เขาเรียกว่าลักต้องต้องขาดจากความเป็นพระลักของเขาได้ราคาห้ามศพฆ่ามนุษย์ให้ตายแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายพอเขาตายปับ๊บเราก็ต้องต้อ ง, องอบัตรปราชิขาดจากความเป็นพระทันทีหรือไม่ได้ฆ่าเองสั่งเขาคนนั้นทำให้เครียดคืนนี้ให้คุณไปเอาชีวิตคนนี้ให้ได้นะ คืนนี้จัดการให้ได้นะสั่งเขาเขาไปฆ่าคืนนี้รุ่งช้ามาอ่ะคนที่สั่งนั่นไปฆ่าคนคนนั้นคนนั้นคนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตายแล้วเราผู้สั่งต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระหรือท่านพูดถึงพระที่เป็นหมอเนี่ยเอายาไปให้คนมีท้องเนี่ยมีคัน เ, น เ, พ, เพื่อเพื่อคลอดเพื่อแท้งลูกเนี่ย พอแทงออกมาปั๊บต้องอาบัติปาราชิกนี่คือฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระแล้วข้อข้อสีข้อสุดท้ายอวดอุตตริมนุสธรรมเจ้าของไม่มีฌานก็อวดอ้างว่าเจ้าของมีฌานเจ้าของไม่มีสมาบัติสมาธิสมาบัติก็อวดอ้างว่าเจ้าของมีสมาธิสมาบัติเจ้าของไม่ได้มรรคไม่ได้ผลอะไรสักข้อเลย ก็อวดอ้างว่าจะาขอมีมรรคมีผลอันนี้ท่านเรียกว่าอดอุตตริมนุสธรรมคำว่าออุตริมนุสธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนที่ไม่มีในตนแต่องค์ที่ท่านมีจริงเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านพูดน่ยท่านแสดงเนี่ยท่านมีอยู่จริงอันนั้นมันนอกเหนือจากสิขาบทนี้นอกเหนือจากสิขาบทนี้สิขาบทไม่สามารถจะทําโทษท่านได้ เพราะท่านพูดเรื่องจริงของมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงพิสุอวดอุตตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงในตนคําว่าอดอุตริมนุสธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์หมายถึงสมาธิสมาบัติฌานสมาบัติมรรคผลนิพพานเนี่ยท่านถือว่าเป็นอุตริมนุสธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์สมัยพุทธกาลมีเพราะอะไรเพราะสมัยเข้ายากมากแพงพิกษุกลุ่มหนึ่งอด โรยร่างกายสู้เพราไม่สมบูรณ์แหละเพราะว่ า, าสมัยข้าวยากมากแพงอาหารก็ไม่สมบูรณ์อะไรก็ไม่สมบูรณ์ในเมื่อร่างกายไม่ได้รับอาหารที่สมบูรณ์ร่างกายก็สู้ก็ผอมเป็นธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันพิสุอีกกลุ่มหนึ่งกลับอ้วนพีมีผิวพันธงก็เลยทำความแปลกใจถามไปทามมาบอกว่าพิสุทังหลาเหล่านั้นไปอวดอุตริมรุสธรรมผู้เจ้าเลยส่งประกาศทากลางสง ตั้แต่บัดนั้นเป็นต้นไปจากนี้ไปถ้าใครอวดอุดริมนุษยธรรมเนี่ยต้องอาบัติปาราชิกเนี่ยนี่ต้นต่อทแทมมันเป็นไวอย่างนี้นีปาราชิกสีนี้เป็นอคการณียกิจเป็นกิจที่เราไม่ควรทําให้เราทราบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบางคนไม่ทราบแล้วไปล่วงละเมิดข้อใดข้อหนึ่งขาดจากความเป็นพระเมื่อขาดจากความเป็นพระแล้วเราอยู่เราอยู่ไปเท่าไหร่เราก็เอานรกมาใส่หัวเรามากเท่า น, นั้นแหละ มันหลอกลวงเขาทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนโอ้ยเอานรกยิ่งมาทับถมตัวเองมากเข้ามากเข้ามากเข้าคนที่ท่องอบับปับราชิกแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมสึกนี่บาปกรรมหนักหนาสาหัสมากอเพราะฉะนั้นถ้าคณะสงฆ์รู้คณะสงฆ์มักจะเอาเรื่องแหละเอาจนอยู่หมัดแหละจนได้สึกนี่คืออบัตดับราชิกเป็นอากตินิยกิจ เป็นกิจที่เราไม่ควรทำทีนี้กิจที่เราควรทํามีอะไรบ้างที่พระอุปัชายะท่านสอนในอนุศาสตรนะ์แน่ยอนุศาสตร์แอย่างกรณียกิจสี่อกรณียกิจสี่ทีนี้เมื่อกี้ที่เราไปทั้งหมดนี่เป็นอกรณียกิจเป็นกิจที่ไม่ควรทําทนีนี้กรณียกิจคือกิจที่ควรทำสีอย่างมีอะไรบ้างฉันอยาดองด้วยนะ้ํามูดเน่า นุ่งห่มผ้าบางสุกุลหนึ่งอยู่โคลนไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ามุดมุดเน่าน้าโมดน้มุดเน่าหนึ่งบินธบาตเลี้ยงชีพหนึ่งอันนี้เป็นกิดที่เราควรทำเพราะฉะนั้นพระสงฆ์พอบวชมาแล้วเนี่ยอาศัยกรณีกิจสีนี่แหละเป็นเป็นเหตุสแสวงหาปัจจัยสีมาเลี้ยงตัวเอง เที่ยบินธบาต1หนึ่งนุ่งหอมผ้าบางสกุลหนึ่งอยู่โคลนไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ำมดเน่าหนึ่งอาหารได้มาจากการบินธบาติบางคนมีนิสัยไอๆอยู่บ้างบวชมาแล้วโอยทำไงเราจะกล้าไปบินทบาตอายเขาพอเราระลึกถึงข้อนี้ปั๊บเป็นข้ออนุญาตของพระสัสดาเราก็มีกำลังใจโอ้อันนี้เป็นประเพณีของพุทธเจ้า เราไม่ต้องเราไม่ต้องอายใครละเราไปบิณทบาทได้อย่างพึ่งพายทีเดียวเลยมีสงาาส่าราศีมียศมีเกียรต์เต็มตัวเนะ่ะไปบินทบาตได้เท่าไปบิณทบาตเลี้ยงชีพมีอาหารได้มาจากบินทบาตแต่ถ้าเราไม่ใช่พระเนี่ยเราก็ธามากินเอาเงินเอาทองมาซื้อมาอยู่มากินมาอะไรแต่ไรแต่เป็นพระแล้วต้องอาหารจากบิณทบาตอาศัยปลีแคลนของตัวเอง กำลังเรี่ยวแรงจากปรีแข่งของตัวเองบินทบาทหนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งเครื่องนุ่งห่มได้มาจากไหนได้มาจากผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลก็คือผ้าที่เขาทิ้งอยู่ตามกองขยะอยากเยือกสมัยพุทธกาลมันมีป่าช้าผีดิบเขาก็พันศพพันไปทิ้งยิงแคะอินเดียเขาเอาผ้าขาวพันพัน พ, น พ, น พ, นพันไปทิ้งป่าช้าผีดิบผีดิบก็คือผีไม่เผาไม่ฝัง ไปปล่อยทิ้งว่าให้แรงกามันกัดกินนะไปชักเอาชักเอามาอีมังปังสกุ ล, ลจีวรัง อ, อัดซามิกลงไมห้างปากูนาติผ้าบางสกุลผืนนี้เป็นผ้าไม่มีเจ้าของย่อมถึงเกศข้าพเจ้าชักมาแล้วมาแล้วก็มาซักโอ้ยคิดดูเถ อ, อะซากศพที่เน่านอนเจาะเยาะเต็มไปหมดกับผ้ากับผ้าดิบผ้าขาวผ้าอะไรเนะี่ย มันดูดซึมมันซับเอากลิ่นเอาอะไรความปฏิกูลไปในนั้นนับอเท่าไหร่พระพุทธเจ้าท่านส่งให้ใช้แบบนี้พระองค์ก็ยังส่งใช้อยู่นะพระองค์ก็ยังไปชักผ้าบางสกุลของนางอะไรคุณทนอะไรเนี่ยอะไรเทศเกสเอเอเอเอาสีอะไรพุณณะธาศีหรืออะไรเนี่ยเป็นผ้าบางสกุลเนี่เครื่องนุ่งห่มได้มาได้ผ้าบางสกุลเพราะฉะนัพระพุทธเจ้า ท่านสอนให้เราใช้สอยสิ่งที่ไม่เกิดโทษพระบางสกุลเป็นพระไม่เกิดโทษตอนหลังมาเขาเห็นความลําบากของพระเขาก็เลยเอาผ้าไปวางไว้สมเหตุเห็นพระไปเดินแสวงหาพระบางสกุลก็เอาผ้าไปวางไว้ขวางหน้าท่านท่านไปเห็นแล้วตะกชักเอาอิมังปังสกุลจีวรังสัตว์ซ่ามีกลางไมฮังปาปูนาติพระบางสกุลผืนนี้มีเจ้าของเนี่ยอันนี้มีเจ้าของมีคนไปวางไว้ ย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าเพราะเรารู้อยู่เขารู้ความประสงค์ของเรานี่คือผ้าอาหารมาจากบิณฑบาตผ้ามาจากผ้าบางสุกุลตอนหลังมาจึงมีการอนุญาตอนุญาตให้รับข้าติจีวรคือจีวรที่มีข้าพระบดีเข้าถวายพระสงค์จึงสุดวกสบายยิ่งสมัยอย่างพวกเราทุกวันนี้ละโอ้เหลือเฟือละผ้าผ้าเหลืองเต็มไปหมด กลายเป็นสังคัพันธ์กลายเป็นพานิ์เต็มไปหมดไปด้วยสังกัพันธ์ตามตลาดนั่นนะ่ะไปซื้อมาได้เลยบวชก็ไม่ต้องทำละไปซื้อมาได้เลยบริการทั้งแปดไปซื้อมาได้เลยเต็มหมดสมัยตะก่อนต้องสแสวงหาเองก็พระสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วไปสแสวงหาพายังไม่ได้พานี่ยวัวชนตายก็มีเต้พระพาหิยะเนี่ย พระพุทธเจ้าแสดงทําให้ฟังเป็นประเภทขิปปาภิญญายังไม่จบหนึ่งคาถาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขอบวชไม่มีอนิสงส์ที่เคยถวายผ้าผ้าเลยไม่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยให้ไปสเสวนหาผ้าเพื่อที่จะบวชไปก็กําลังไปเคลียอยู่ในกองอยักยื่นะนะั่นแหละไอ้เจ้าเวนยักษ์ซีนีนเคยเป็นเวนกัน่ะไปเข้าสิงวัวก็วไปชนตาย แต่เขาเขเรียกเขาเขาเรียกท่านว่าเป็นพระนะยังไม่ได้บวชแต่เขาก็เรียกว่าเป็นพระเป็นพระแต่ตรงกันข้ามพระเจ้าสุโธธนะไม่เรียกพระนะพระเจ้าสุโธธนท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านนิพพา น, พ, านาพระเจ้าสุโธทนะพระราชิบิดาอันนี้ไม่เรียกพระแต่พระพายยะเนี่ยเรียกพระนี่คือข้อแตกต่าง นี่คือการสเสแวงหาผ้าในสมัยนั้นต่อมาก็ให้รับค่าปฏิจีบวรไดท้ที่อยู่อาศัยพระกให้อาศัยผ้าอาศัยโขนไม้โคนไม้นะโขนไม้มีไม้ใหญ่มีไม้มีพุ่มไม้มีอะไรเราไอาศัยโคนไม้เพื่ออะไราการเด็ดหลบแดดหลบฝนหลบลมไม่ได้ชี้ไปที่ตึกที่อาคารที่อะไรตัวไร น, นะ น, นี่สมัยแรกดังเดิมแรกที่ทีเดียวนะความเป็นอยู่ของพระเนี่ยลำบากมากนะอาชีพไปที่โคนไม้ฝนตกมาจากทางทิศตะวันออกแล้วก็หลบมาอยู่ท่านตะวันตกลมพายุมาจากทางทิศใต้แล้วก็หลบมาทางเหนือฝนสาดมาจากทิศใต้แล้วก็ลบมาทางเหนื อ, นอลลาาหอลบเอาตามโคนต้นไม้เนะี่ยอยู่โคนต้นไม้เพราะฉะนั้นโคนต้นไม้จึงกลายเป็นทุนหลงข้อหนึ่งนะมีสุดดวงโคนไม้รักขมูลนะ รูปข้อมูลคือทวดดงข้อหนึ่งของของของพระนี่คือที่อยู่อาศัยอ่าเสรแล้วก็ยารักษาโรคยารักษาโรคมันจําเป็นกับร่างกายร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องอาศัยหยุบยาพระองค์ก็ชี้ไปที่น้ําน้ํำมูตเน่าเอายาสมุนพไพรเนี่ยมันดองด้วยน้ำมนต์น้าปัสสาวะเนี่ยดองมันดองด้วยน้ำมนต์สมัยทุกวันเนี่ยไม่มีดูแล้วไม่มีดูแล้ว สมัยหลวงปู่ฟ้านมีอยู่มีทำใช้กันอยู่บ้างสมัยเรายอยู่บรรดาก็เห็นมมีหมู่ทาใช้อยู่ทําฉันอยู่ะดองสมอเอาสมอนไปดองนํามูดของตัวเองเอาสมอไปดองบางคนก็ดองแล้วก็ฉันคนเดียวเนีย่ยให้คนอื่นฉันด้วยขเขาไม่กล้าฉันล่ะเราไปเรียกให้เราให้ฉันโดยเราไม่ฉันล่ะ เราไม่ฉันล้ดองด้วยน้ำมูดบางคนก็เอาเยี่ยว ว, วัวเยี่ยว ว, วัวดําไปดองนี่คื อ, อยาดองด้วยน้ํามูดเน่าน้ํามูดเน่าคือน้ําปัสสาวะเนี่ยเราไม่ต้องดองอะไรก็ตามคนที่ตกที่สูงนะตกบ้านตกช่องตกต้นไม้ตกวัวตกควายโบราณให้กินน้ํามูดกินน้ากินน้ํามูดกินน้ปาปัสสาวะเนี่ยไม่ได้พระเราเนี๋ยนี้ยังชันนปะปัสสาวะอยู่อยู่ในวัดเนี่ยหลวงพ่อพนัทเนี่ย ฉันน้ำปัสสาว ะ, ะว่ามันเป็นวิธีการรักษาโรคอย่างหนึ่งน้ำปัสสาวะน้ำปัสสาวะของตัวเองเนี่ยฉันเอาอันกลางตอนต้นไม่เอาตอนปลายไม่เอาเอากลางกลางแล้วก็ฉันทันทีเอาไว้นานไม่ได้พอเอาไว้นานแล้วกลิ่นฉันทันทีไม่มีกลิ่นใครใครกินเค็มฉันปัสสาวะกับเค็มๆใครกินเปรี้ยวมากปัสสาวะกับเปรียปร้ยว ใครกินเผ็ดเผ็ดปัาสวสะก็เผ็ดเผ็เนี่ยไหมทาไมเคยฉันไม่รู้ไม่เคยฉันไม่รู้นะลองใครฉันเค็มหน่อยฉันปัสสวะของตัวเองเค็มๆฉันเผ็ดฉันปัาสวะหรือไม่ฉันพวกขิงพวกอะไรที่มันเผ็ดร้อนเนี่ยปาสวะก็จะเผ็ดร้อนแล้วก็มันช่วยแก้โรคได้บ้าง มีช่วงหนึ่งเรามาพิมพ์หนังสือแจกกันเกนี่ยวกับกินน้ำาินน้ํามดอันนี้เราไม่ต้องดองแต่พระเจา้าท่านให้เอาไปดองดองด้วยน้ำหมดุดเน่านี่เป็นยารักษาโรคเราดูที่ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์สมัยก่อนในลาบากมากนี่เราพูดถึงการนิยกิจคือกิจที่เราควรทำอ่าอันนี้อันนี้มันมันปราชิกสี่ประชิกสเป็นอาการนิยกิจ เป็นกิจที่ไม่ควรทําทําแล้วข้อไหข้อหนึ่งขาดจากความเป็นพระทันทีแต่กรณียกิจนีเราอาจจะโดยเฉพาะอย่างเดียวนี้นะเราทําบ้างเราไม่ทําบ้างเพราะเราสะดวกสบายอยู่แล้วท่านก็ไม่ไ ม, ไ, ม ไ, ไม่ค่อยได้พูดถึงหรอกเไม่ค่อยได้พูดถึงไม่ ม, นนนนมนนีน้อยที่คนจะไปฉันยะดองอะน้ํำมุดเน่าน้อยะที่คนจะไปอยู่โคนไม้อย่างเดียวนะนอกจากไปถือธนบัตรบางการบางคราวน้อยที่คนจะไปชัก เป็นพระบางสกุลเอาศพเอามาจากที่เขาหอดศพเนี่ย น, น้อยน้อยมากแต่บินทบาทนี้โดยเฉพาะสายป่าเราเนี่ยทั้งสามสี่อย่างในสายป่าเรายังมียังมีอยู่นะยังมีอยู่แต่สายปริยัตยิไม่มีแล้วไม่รู้จักแล้วไปถามแต่ไม่รู้เรื่องไม่รู้จักท่านไม่ทำแต่สายป่าเราครูบาอาจารย์ท่านให้เราสงไว้หมดเหมือนอย่างที่บรรดามุกันนะ่ะ การตัดเย็บบริขารในสมัยเราอยู่หลวงตาให้ทําให้อยู่ให้ทรงไว้ให้หมดต้องตัดเป็นต้องย้อมเป็นต้องเย็บตัดเป็นเย็บเป็นย้อมเป็นกะเป็นรูปผ้ารูเนื้อเนื้อผ้าทําเป็นหมดสายป่าเราเนะี่ยท่านทรงเสริมให้เป็นนี่กรณียกิจ4นี่ประราชิกสี่เราพูดถึงประราชิก4จากนั้นก็สังขารเสียสิไปดูสังคารเสียเสียสิบสนะ สังขารที่เสียดสิบสามข้อสิขาวบทอะไรบ้างที่มันเสียงเสียงกับล้วคือสิขาบทที่หนึ่งไปดูเสียงมากอืมเสียงมากพอเวลาเราต้องเข้าไปแล้วต้องอาศัยอํานาจสงต้องส่งสวดประกาศให้ตั้งแต่สี่รูปเป็นต้นไปมันไม่เหมือนอาบัตเล็กๆลน้อยน้อยที่เราแสดงกันเนี่ยองค์ต่อององค์ต่อองค์เนี่ยแต่อาบัตินั้นถ้าต้องเข้าแล้วเนี่ยต้องเดือดร้อนสงเลยสังขารที่เียดอาบัตสังขารที่เส อาบัตสังฆาทิเศษคืออาบัต์อาบัตที่มีสงเป็นส่วนเหลืออาศัยออกด้วยอำนาจของสงไม่ใช่ออกด้วยโดยลําพังตัวต่อตั ว, ต ว, ตวไปแสดงอาบัติกันสิเศษสีบสามข้อทีเ่เสียงที่สุดก็คือขอ้ข อ, ขอแรกไปดูอารรนหนังสือนวกกวา่าห้ไปดูไปอ่านพระใหม่อารรนหนังสือนวกกว่าไปดูนะพระใหม่พระเก่าเราถือปฏิบัติตามนี้ทั้งหมด แล้วหมายถึงว่าพระเก่าท่านเคยดูเคยผ่านเคยอะไรมาแล้วแต่การตั้งใจประพฤติปฏิบัติต้องถือปฏิบัติตามนี้หมดรู้ข้อไหนตั้งใจปฏิบัติตามข้อนั้นข้อไหนที่มันซึงเสี่ยงที่สุดเราก็เอาข้อนี้เรามาประพฤติมาระมัดได้ระ ม, มัดระวังข้อนี้ตั้งใจรักษาสิ่งของตัวเองให้บริสุทธิ์อย่างเดียวนี่โอ้ได้บุญได้นิสงฆ์ใหม่มหาศาลจากนั้นแล้วเราก็ไปภาวนา ทำให้เราไม่กังวลไม่เกิดปริพเทว่าเราต้องอบัดข้อนั้นคนนั้นข้นั้ น, น, น, น, น จ, จิตใจของเราก็สงบยเยือกเย็นบุญก็ได้บุญก็ได้มากตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์อตั้งใจภาวนา จ, จิตใจก็ได้รับความสงบนะเราเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเนี่ยทําให้เราพร้อมที่จะทําตามเหมือนพระองค์ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยความยากความลําบากนะสังขารสิ่เสียสิบสาให้ไปดูเอาอันนี้ยศสองนะ อันนี้ยศสองพิสุนั่งในที่รับหูกับผู้หญิงสองต่อสองกับมาทุกามสองต่อสองต้องอาบัต์ทุต้องอาบัตออบอิอันนยศอนนยศนี่ไม่แน่นเวลามีคนโจทเนี่ยเขาโจดด้วยอาบัต์พระราชิกเขาโจดด้วยอาบัต์ปายตีเขาโจดด้วยอาบัาดดาบต์ดดทุกกฎ ในหลักท่านบอกว่าเขาโจทย์ยังไงให้ปรับอย่างนั้นหรือภิกษุรับอย่างไดให้ปรับอย่างนั้นอันนี้อนนยศนะอนิียนะนน้ยศแปลว่าไม่แน่นอนแล้วแต่เขาจะโจทย์ใครับบทใดภิกษุรับยังไงให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาโจทย์คนที่มีธรรมควรจะเชื่อได้ฟังได้สมัยพุทธกาลก็นักวิสาขานี่แหละคนที่คน ท, คนที่คนที่มีธรรมฟังได้อนานถาวินิจกเศรษฐีเนี่ยพวกนี้มีธรรม สมมติมาโจทย์พระสงค์เนี่ยคนมีคนมีอํานาจคนมีธรรมโจทย์แล้วโจทย์แล้วก็ต้องได้พิจารณากันแหละคือคนที่มีธรรมมาโจทย์คือควรเชื่อได้รับฟังได้โจทย์เรอย่างใดอย่างหนึ่งพิสูตรับอย่างไหนปรับอย่างนั้นหรือภิกษุหรือเขาโจทย์ด้วยธรรมอะไรด้วยศิขาบทใดเช่นอยางให้เห็นนอนอเห็นนั่งในที่รับนั่งในที่รับ กับผู้หญิงไม่มีใครเป็นเป็นเพื่อนเขาโจทย์ว่าอะไรเขาโจดว่าเห็นจับกันเขาโจทย์ว่าเห็ น, นทํำ น, นั่งกันทําอันนี้กันหรือนั่งอยู่เฉยเขาโจทย์ด้วยปัจจิตีรับปัจจิตีก็ปรับปัจิตีรับสังขายเศษก็ปรับสังขายเศษถ้ารับปาราชิกเช่นอย่างเขาเห็นเสพกันเนี่ยปรับปาราชิกเนี่ยรับปาราชิกก็คือขาดจากความเป็นพระนี่อาบ อันบัตอนันยอดนะพิสูจนั่งในที่รับรับตากับรับหูมีสองอย่างรับตารับตาอาจจะอยู่คนละข้างกาแพงก็ได้เช่นเราอยู่ฝั่งนี้เขาอยู่ฝั่งนู้นมันมองไม่เห็นเขาเรียกว่ารับตาหรืออยู่คนละข้างห้องอคนหนึ่งอยู่ในห้องอีกสองคนอยู่ในห้องอีกคนที่เห็นที่โจนอยู่นอกห้องเขาเรียกว่าที่รับตาในที่รับตาเราไม่เห็นว่าเขาทาอะไรกันอืม เรายังโจดสามารถโจดได้อยู่ในที่รับหูเช่อนอยังไงอยู่ในที่รับหูคือตาเราอาจจะเห็นแต่ว่าหูเราไม่ได้ยินว่าเขาคุยอะไรกันเช่อนอย่างเราอยู่ไกลกันนั่นเส้นสองเส้นเราเห็นอยู่ตาเราเห็นอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันนี่เ้าเรียกว่าที่รับหูพิสูจ น, น์นั่งในที่รับหูก็ตามนั่งในที่รับตาก็ตามสีขาบทสองสีขาบทเนี่ยเขาปรับยังไงเขาปรับประราชิก เขาโจทย์ปราชญกหรือสังคายเศษหรือปรยิยตีหรือโจทย์ปริยตีหรือโจทย์สังคายเศษปรยิยติโจทย์อวบัติใดแล้วแต่ผู้ผรับเขารับอวบัติใดก็ปรอาอวบัตินั้นหรือเขาโจทย์เฉพาะทำรรบทใดก็ปรับศิทธบทนั้นนี่อันนีย้ยศกอ ขอ้ขออันนี้นยศสองนิสสกียาปยตี30ไปดู30สิกขาบทปายิตีข้าง12สิกขาบทไปดูเขาพูดไว้ละเอียดมากอ่านดูง่ายเข้าใจง่ายเราไปดูผ่านๆโดยเฉพาะอย่างนวากว่าาดเรามาดูวนันสองวันก็จบแล้วเล่มหนึ่งวนันสองวัน ก, จก็จบดูหลายๆรอบดูจนได้ข้อปฏิบัติอันนี้ผากศีลตั้งใจรักษาศีลอันนี้เราต้องทําเอาเองพ่อแม่ตามม า, มาช่วยไม่ได้แล้ ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติได้มากเท่าไรเราก็ได้บุญมากเท่านั้นแหละอย่างดังกล่าวตั้งแต่ต้นๆ น, นั่นแหละเราบวชมาแล้วเ ร, เราได้เพศได้เพศเป็นพระแต่บุญที่จะเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องทําเอาอเราจะต้องทําเอาอย่างมีบุญด้วยการตั้งใจรักษาศีลก็ศึกษาศีลให้ยิ่งอย่างได้บุญด้วยการภาวนาก็ตั้งใจเดินจงกรมตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาให้ใจได้รับความสงบบุญจึงจะเกิดขึ้น บุญจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้บุญจะต้องเกิดขึ้นอย่างมีเหตุไม่มีเหตุผลก็ไม่เกิดผลที่เกิดขึ้นโดยประากเหตุไม่มีในศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสิขาบทไม่ว่าบทใดบาตรใดของพระธรรมของพระวินัยของพระองค์ที่ประชกเหตุไม่มีแม้ธรรมะแปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ของพระองค์สุปลงมาได้คือเหตุกับผลเท่านั้นเอง เหตุกับผลเราดูไปที่ไหนเราดูไปที่อริยสัจสี 4. อริยสัจสี่สรุปลงแล้วคือเหลือเหตุกับผลทุกเนี่เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุเนี่ยมีเหตุกับผลเท่านั้นเองไม่จะบรรลุธรรมขั้นอริยธรรมก็เกี่ยวข้องกับเหตุกับผลต น, นเองสรุปลงได้เลยว่าพระไตรปิฎก8ปดหมสี่พันพระธรรมคันพูดเกี่ยวกับเรื่องเหตุเรื่องผลอย่างเดียวเท่านั้น สุกลงมาที่เรื่องสัจธรรมคืออริยสัจทั้งสี่คือเหตุกับผลเท่านั้นเองพิจารณาเหตุแล้วก็ย้อนไปดูผลพิจารณาผลแล้วก็ย้อนไปดูเหตุพิจารณาผลแล้วก็ย้อนไปดูเหตุพิจารณาร่างกายของเราเป็นตัวผลแล้วก็ย้อนไปดูเหตุเหตุที่ไหนเหตุที่ใจเหตุที่ใจเช่นอย่างเรานั่งนานๆนั น, น, นปวดเนี่ยร่างกายปวดเนี่ย ราย้อนไปที่ใจเ้าจะเห็นความหยามเกิดขึ้นที่ใจโดยเหตุที่ใจมันยึดกายพอกายเจ็บกายปวดนั่นตัวสมุทัยที่แท้จริงมันไม่ใช่ที่กายมันที่ใจใจมันมายึดกายเป็นอุปาทานในกายพอกายเจ็บใจก็พลอยเจ็บไปด้วยจนเป็นเหตุทนไม่ไหวต้องสับต้องพลิกต้องเปลี่ยนนี่คือความคือความยึดมันถือมันด้วยอุปาทาน พญาย้อนไปเพื่อที่จะเห็นเหตุเพราะเห็นเหตุมันก็สามารถดับเหตุได้ผลมันก็ดับไปด้วยผลก็ไม่เกิดอพราะพระพุทธเจ้าท่านชําระด้วยพระองค์เองก่อนแล้วย้อนไปย้อนไปย้อนไปจนจนถึงเหตุจนถึงเหตุทราบเหตุชัดเจนจแจ่มแจ้งอยังยังจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็พระองค์ก็ถอนตัวออกมาได้ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องจะต้องไปเกิดอีกละไม่ต้องไปเกิดอีกละรูปธรรม รคประคันที่จะไปเกิดอีกก็ไม่มีหน้ามาขันที่จะไปเกิดอีก ก, อก็ไม่มีละเพราะย้อนไปดูเหตุเห็นเหตุอย่างชัดเจนแจม่มแจง้งสละสละัดทิ้งทั้งหมดแล้วก็เหลือผู้รู้บริสุทธิ์ไม่ยึดมันถึงมันด้วยตัณหาด้วยปาทานใดๆทั้งนั้นในขณะที่ทําก็คือการประกอบมากทําเสร็จแล้วได้รับผลก็คือนิโรธทุกตัณายทั้งปวงเหล่านั้นก็นดับไปดับไปเราฟังที่ดวงตาทรรมเทศนะ่ะตั้งแต่วินาทีนะั้นเป็นต้นไป ความทุกข์เท่าเม็ดหินเม็ดทรายไม่เคยผ่านหัวใจของท่านอีกเลยไม่เคยผ่านหัวใจเลยกับพวกเราที่แบกแต่กองทุกข์อยู่ทุกขณะทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยมันต่างกันเราฟ้ากับดินโดยโดยโด ย, โดยเทียบไม่ได้ฟ้ากับดินนี้ยังยังยังพอเทียบได้อันนี้มันเทียบกันแบบเทียบกันไม่ได้เลยทำไม ทำไมท่านว่าความทุกข์เท่าเม็ดินเม็ดสายไม่ผ่านหัวใจอีกเลยตั้งแต่วินาทีนะั้นเป็นต้นไปแต่เรื่องการเจ็บการปวดป่วยไข้เรื่องธาตุเรื่องขันเนี่ยท่านละได้แล้วละขันนี้ได้แล้วขันนี้มันเจ็บมันป่วยมันปวดปวดหัวตัวร้อยเป็นเรื่องของขันแต่จิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดตันหท้าปาทานไม่มีในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นจึงไม่ได้รับความทุกข์ เพราะได้ดับสมุทัยมันสิ้นรอบหมดแล้วความทุกข์ความทุกข์ที่เราจะพึงได้รับจากผลคืออัตภพร่างกายเนี่ยมันจริงไม่มีความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่เข้าถึงจิตไม่เข้าถึงใจอันนี้เกี่ยวก็เรื่องธรรมะทางด้นานของธรรมะเราพูดถึงเหตุกับผลปัจจิติ92ปัิเทศนิยะสียเสกยยาวัต75นินี่อันนี้ก็เป็นบัตรที่เบาบัตรเบา เบาไปแต่ว่าอธิกรณส ม, มัทฐาเจอันนั้นไม่ใช่สีขาบทที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติแต่มันเป็นระเบียบที่จะพึงออกจากอธิกรณ์เช่นอย่างสามุขคาวิเนโยดาตโบพึ่งออกด้วยพร้อมหน้าสงพร้อมหน้าธรรมพร้อมหน้าบุคคลสมุขคาวิเนโยดาตะโบสติวิเนโยดาตะโบนีพระอรหันต์ที่ถูกโจดสงต้องสมมุติให้สติวิ น, นัยเช่นอย่างพระทัพพระมละบุตร นี่เป็นวิธีออกจากอธิกรณ์สติวินยโยดาตะโโบอมุลหะวินยโยดาตะโโบพิสุที่กําลังบ้าคลั่งหรือผีเข้าแต่ไม่ต้องอบดับไม่ต้องอบดับในระหว่างที่ที่บ้านอันนี้ท่างให้สงสวดประกาศอมุลหะวินยโยดาตะโบไม่ต้องไม่ต้องอบับดับปฏิญญาตะกระนังพิสุรับอย่างดใดปรับอย่างนั้นน เยผุยสิกาก็คือถือคะแนนข้างมากเหมือนกับสภ า, าที่เขาโหวตกันรรกกนั่นแหละใครได้มากกว่าเขนั้นฝ่ายนั้นชนะเยผุยสิกาตัดสะปาผยศิกาอันนี้เพิ่มโทษเพิ่มโทษพิจารณาแล้วเพิ่มโทษเข้าไปอีกแล้วก็ตินนวัารกะตินนวัฒรกะตินนวธารโกติตินนวัารกะก็คือ เป็นอธิกรที่ออกโดยไม่ต้องรื้อฟื้นเรื่องเก่าโดยไม่ต้องรื้อฟื้นเรื่องเก่าเช่นอย่างพระธรรมกถึกกับวิเนทหนที่ทะเลาะกั น, น, นพอปลองดองกันแล้วก็ไปขอขอมาพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําหน้าที่ปลองดองต่อหน้าพระอ ง, ะองค์พระองค์ก็เลยให้ให้ให้ให้ใหทำอุโบสถสามัคคีโดยทั้งที่วันนั้นไม่ใช่วันพระสิบสี่ค่ำสิบ้าค่ำอะไรก็ไม่ไม่ทั้งนั้นแหละ เป็นวันที่พิสุทั้งหลายเหล่านั้นปรองดองกันก็เลยให้สวดสวดอุโบสถสวดพระปฏิโมกข์ทำอุโบสถสามุขีวันนั้นอันนี้คือพยายามไม่ไม่พยายามพูดเรื่องเก่าพระธรรมก็ถึกกับวินัยทรมีเรื่องเก่าที่จะต้องพูดพูดไปพูดมาแล้วก็ไม่แพ้กันมไม่ชนะกันถับสุมาธรรมกระกถาถึ ก, พ, ก, ถกพูดก็ถูกพูดก็ถูกพระวินัยทรพูดก็ถูกตังคนก็ถูก ต่างถูกต่างคนต่างถือดีแล้วก็ไม่ยอมกันนก็เลยไม่ให้พูดถึงเรื่องเก่าให้ยอมกันเลยอ่ะยอมยินดียอมปรองดองกันอแต่ไอพวกเราที่จะปรองดองกันแล้วก็ไปหาคุยเรื่องเก่ามันก็เลยปรองดองไม่ได้สักทีนี่ประเทศไทยเรานี่เป็นอย่างงังไงไปคุยเรื่องเก่า <laughs> ตินนทะ์วถารกะวัตถุเขาบอกว่าเหมือนกลบไว้ด้วยหญ้า จะแปลไปแล้เหมือนกลบไว้ด้วยหญ้าตินะตินะแปลว่าหญ้าอถ้าเราจะเทียบเหมือนอะไรล่ะเหมือนกับเอากอหญ้าหรือกองหญ้าเนี่ยไปทับไปกลบอะไรไปกลบไปกล บ, ไปกลบขี้หมาไปกลบขี้แมวไปกลบของหมดของคู่อะไรเนี่ยห้ามห้ามรือ้อห้ามรื้อกอหญ้านั้นเพระาะแต่ยื้อแล้ว ข, ขี้ฝุ่นจะคลุกมาเห็นไหมท่านพูดเอาไว้นี่ยโอ้ตรงจริงๆอ่ะอ่ามันหยาบสับเอาไว้เนี่ยตรงมากเลย ห้ามรื้อฟื้นเรื่องเก่าพอรื้อฟื้นมาแล้วเนี่ยมันหายไม่ได้มันส่งกลิ่นฟุ้งขึ้นมาอีไอเหมือนพวเราจะปลองดอกเราจะไปหาคุยถึงเรื่องเก่าก็เลยปลองดองไม่ได้สักที <c oughs> นี่เราพูดถึงวิธีระงับอภิกรอันนี้ไม่ใช่สีขาบทที่เราจะต้องเอามาปฏิบัติแต่มันเป็นวิธีออกโอ้เราจะเห็นความฉลาดของพระศาสดาของเราทําผิดแล้วอ่มีวิธีออกอยังไงออกอย่างงันออกอยัางงันออกอยังงันวางรล้วบีบให้ไว้หมด ออืหมดมีออกไม่ได้อย่างเดียวก็คืออาบัตปาราชิกออกไม่ได้ขาดจากความเป็นพระเลยศึกหรือไม่ศึกกับคุณหมดจากสภาพความเป็นพระแล้วไม่มีสัง巴ศีสองร้อยิบเจ็ดหมดกเกลี้ยงไม่มีอะไรเลยกันแล้วเป็นผู้พ่ายแพ้พ่ายแพ้ตัวเองพ่ายแพ้ศีขาบทไม่เป็นพระถ้าคืนอยู่ต่อไปนานเท่าไหร่โอ้ยบาปกรรมทับถมตัวเองมากเท่านั้น เพราะอะไรเพราะหลอหลวงเขาทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีอันนี้ท่านให้ก็สงเราพระพระภิกษุสามเณรพระภิกษุ ส, สงเราเนี่ยพึงระมัดระวังเรื่องเหล่านี้นี่เราพูดถึงสี่ข้าบดวินยัยแล้วก็ธรรมะเรากยย็ยบไปนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเหตนะุอริยสัตทั้งสี่เหตุกับผลเท่านั้นเทศพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมท่าไม่ยั่งลงในอริยสัจสี่ภาษาวก ยังจะไม่บรรลุธรรมนะยังจะไม่บรรลุธรรมเช่นอย่างท่านเทศพระองค์ทรงแสดงอนุ ป, ปูพิคฐาเนี่ยห้าเนี่ยแสดงถึงเรื่องทานเรื่องแสดงถึงเรื่องศีลแสดงถึงเรื่องสวรรค์แสดงถึงเรื่องโทษของกามแสดงถึงอนิสงส์ของการออกจากกามเสร็จแล้วพระองค์ก็ขมวดด้วยอริยสัจสี่เพราะขอมวดถึงอริยสัจสี่ปั๊บด้วยเหตุที่กิจมันเห็นโทษของกามแล้วเนี่ยพอชี้ไปที่หลักสัจจะ หักสัจธรรมจิตมันก็ดิ่งลงเข้าหาหลักสัจธรรมก็พร้อมที่จะบรรลุถามได้เลยเราจะเห็นว่าพระโสดพระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุปิกถาทั้ง5และเข้าหมดด้วยอริยสัจสี่จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยอเหมือนอย่างพระยศคุรบุตรได้ฟังอนุปุปิกถาสองครั้งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงให้ตัวเองฟังโดยเฉพาะครั้งสองพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พ่อของตัวเองฟัง แต่ตัวเองก็นั่งฟังอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นรอบที่สองได้เป็นพระอรหันต์นะแต่พ่อเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมฟังรอบรอบเดียวยักษ์กุลบุตรได้ฟังสองรอบเพราะไปขโมดลงในหลักของอริยสัจสี่เหมือนกันหลักของอริยสัจสของผู้ที่เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์มันก็ละเอียดลึกเข้าไปอีกกว่าผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นความเป็น อนุญาตศักดิสิทงท่านก็จะละเอียดไปจะไม่เหมือนกันแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นความละเอียดขึ้นไปจะไม่เหมือนกันขมวดลงในสัจธรรมสัจธรรมมันจะไม่เหมือนกันมันจะก้าวหน้าไปคั้นอย่างละเอียดลึกไปโดยลําดับพระโสดาทั้งกะละกิเลสขั้นหนึ่งพระสกิตาคาพระอนาคาทัางกะละกิเลสได้เป็นขั้นเป็นขั้นหนึ่งพระอรหันต์กะละกิเลสได้ชั้นละเอียดหมดจดโดยชิ้นเชิงเนี่ยละได้ชั้น สมมติว่าเราเรียนจบปีี่เราได้ออกจากโรงเรียนเนยเราเรียนปีหนึ่งเราเรียนปีสองเรียนปีสามเราเรียนปีสี่สอบได้ทุกครั้งเราก็ได้ออกจากโรงเรียนเราก็ได้ออกจากโรงเรียนเราเรียนเราเรียนปีแรกแต่ไม่ยังเหลือวิชาความรู้ที่เราจะต้องเรียนอีกสามปีจะต้องเรียนไปแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีจบแล้วก็ออกไป กิเลสที know, ่เราทําลายได้นะสมัยเป็นพระโสดาบันก็ทําลายได้อีกขั้นหนึ่งก็ไปทําลายพระสกิตาคาก็ทำลายอีกขั้นหนึ่งพระอนาคาทําลายอีกขั้นหนึ่งพระอรหันก็ทำลายอีกขั้นหนึ่งจบโศกสุดละหมดละจบจบพบจบชาติไม่ต้องแบกแบกกองทุกจะเป็นอยู่ก็ตามตายไปแล้วก็ตามไม่ต้องไปเกิดอีกไม่ต้องไปจับจองธาตุขันธ์ไม่ต้องไปเกิดในท้องอีกละ ไม่มีพบจิตผู้รู้นั้นไม่มีสองกับสิ่งใดสะอาดบริสุทธิ์หมดจดอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการไม่มีการเวลาเข้าไปเกี่ยวขอ้องไม่มีกาละเทศะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีสถานที่เข้าไปจํากัดไม่มีเวลาเข้าไปจํากัดไม่มีสถานที่จํากัดไม่มีเวลาจํากัดแล้วมันก็เลยดารงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการพระพุทธเจ้าท่านส่ง ตรัสว่านี่แหละประมังสุ ข, ขังประมังสุ ข, ขังถึงบรมสุขอย่างยิ่งเราตั้งใจรักษาศีลตั้งใจปฏิบัติทำให้ได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้เราบวชมาเราจึงจะมีบุญให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นเรายิ่งมีบุญให้กับตัวเองมากเท่าไหร่พ่อมาเกี่ยวข้องแม่มาเกี่ยวข้องญาติพี่น้องมาเกี่ยวข้องศรัทธาประชาชน ท, ทั่วไปมาเกี่ยวข้องเขาพลอยได้รับส่วนแบ่ง ส่วนแบ่งจากที่เรามีบุญนะเรารู้ที่หลวงตาหลวงตาท่านเป็นคนเพียบพร้อมด้วยบุญอย่างนั้ น, นคนก็มาแบ่งเอาส่วนบุญจากหลวงตามากหม่มหาศาลเนี่ยไหมทองสิบสามตันหาได้ไงที่ไหนะเขาก็เอาไปทําบุญผ่านหลวงตาหมดนะเขาก็แบ่งบุญไปจากหลวงตาช่วยนุ่นช่วยนี่ตึกห้ารอล้านเนี่ยที่ที่ถวายที่ที่เห ม, มาะโมว่าเนี่ยไหม เขาก็อยากได้บุญจากหลวงตาเ้าก็ผ่านเอาเงินเอาทองเหล่านั้นผ่านหลวงตาเนี่ยผ่านหลวงตาเพราะหลวงตาท่านมีมบุญมากท่านเป็นเนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาที่เหมาะสำหรับจะปลูกพืชนะถ้าจะปักดกําก็โอ้ยข้าวพร้อ ม, พ ร, อมพร้อมที่จะงามถ้าจะปลูกตน้นมะพร้าวถ้าจะปลูกต้นขนนุ่นถ้าจะปลูกต้นอะไรที่เป็นหมากที่จะพึงให้ผลเน่ะปลูกแล้วก็ให้ผล พืชที่ให้ผลเป็นใบดกใบก็ดกให้ผลให้ผลเป็นหมากมาก็ดกให้ผลเป็นดอกดอกก็ดกนี่คือเนื้อนาบุญคนที่จาบุญเลือกหาเนื้อนาบุญผู้ทีเจ้า ก, ก็ชมเชยอยู่แต่ว่าเราทำบุญแล้วน่ได้หมดนั่นแหละเราไม่ต้องเลือกทำบุญกับเดรษฐีฉันเราก็ได้บุญทำบุญกับคนทุสินเราก็ได้บุญแต่มันน้อยมันน้อยไม่เท่ากันทาบุญกับ ผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาพรภักขิตาคาพระอนาคาก็ได้บุญเพิ่มขึ้นโดยลําดับทําบุญกับพระอรหันต์กันได้บุญเต็มที่ทำบุญกับพระพุทธเจ้าได้บุญมากสรุปลงที่ว่าทําบุญกับพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานทําบุญกับพระสงฆ์มีกับภิกษุณีสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอันนี้ได้บุญมากที่สุด การพูดถึงอเนสงการทำบุญเราได้ยินได้ฟังแล้วก็เลือกเอาทำเอ า, เอาพอสมควรเก็วเวลาเนะเาะพอสมควรเก็บเวลาแล้วเราทำวัดทำวัดเสร็จแล้วก็กลับไปพักผ่นไปที่เดินทางไกลก็วันนี้ก็ทนหน่อยก็แล้วกันนะ <laughs> เอาทำวัดสวดมนต์เดี๋ยววันหลังค่อยค่อยให้นิสัยก็ได้ไปดูไปท่องให้ได้นะ